ยานีทะพูตานิสมากตานีภุมานิวะยานีวะอันตลิกเฆสัพเพวะพูตาสุมาณาภวันตุอโธปิสักกะจัสุนันตุพาสิตังัสมาหิพูตานีสาเมทสัพเพเมตังกโรธะมานุสิยาปชายาทิวาจรรโตจหรันติเยพลิง ตัสมาหิเนราคาถาปมาตายังกินชีวิตตังอิทวะหุรังวาสักเเคสุวายังรัตนังปณีตังนโนสังอาติตาทักเตนาอิธรรมปิพุเทรัตนังปณีตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตูขยังวิราคังอะมะตังปณีตัง ยาทชคาคัสกยมุนีสมาหิโตนาเตนัธัมเนนัสมาธิกินเจปีธรรมปีธรรมเมรุตนังปณีตังเอเตนัสเจนัสวัติโคตูยํมพุทธเศรษฐปริวันนีสุจริงสมาธิมานันตริกันเยามาหูสมาธินาเตนัสมโณวิชิตี ที่ทำที่ทำเมรัตนังปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวัติโหตูพูดเหล่าใดประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีหรือภุ ม, มิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็ดีขอหมู่พูดทั้งปวงจงเป็นผูดใจดีและขอจงฟังภาษิตธโดยคารพดูก่อนพูดทั้งปวงเพราะเหตุนั้นแหละท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังขอจงแผ่เมตตาจิตในหมู่มนุษย์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 อันประณีดด้วยสัจาวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสัพระอริยสงฆ์ด้วยด้วยใจเคารพเพื่อเฟือ้อขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายในบทสวดเมื่อสักครู่นี้อันตรมาได้สวดในบทของเขาเรียกว่า รัตนปริศเป็นพระประิตเนี่ยที่เขาใช้กันในใช้สวดในมนพิธีต่างๆสวดในาศาสนาพิธี mm hmm. เช่นงานแต่งบ้างงานต่างๆที่เป็นงานมงคลนะอา้าวแล้วรัตนปริศเนี่ยเขาสวดเมื่อไหร่มีความเชื่อยังไงเขาสวดเมื่อใช้กับพุทธบริษัทที่คิดว่าในยามที่ประสบนีประสบปัญหาคือข้าวยากหมาแพงประการที่หนึ่งใช่ไหม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 ก็แบ่งออกอีกเป็นสองอีกเหมือนกันใช่ผู้ชายเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสองอีกก็คือบุคคลหนึ่งที่ออกบวชกับบุคคลหนึ่งที่คลองเรือนใช่ไเขาเรียกว่าอนาคาริกกับอนาเออ อ, อาคาริกกับอนาคาริกแบบไหนประเสริฐกว่ากันใช่หบุคคลที่คลองเรือนเป็นยังไงก็อย่างเช่นพระเจ้าจากักรพรรดิพระราชามหากตริย์นะเป็นต้นอันนี้เขาคองเรือน แต่ว่านักบวชเนี่ยแม้กระทั่งพระราชามหากษัตริ์ยังต้องมากราบต้องมาไหว้ไม่ต้องมาพนมอัญเชิญใช่ไหมในบรรดารัตน์ทั้งสองอย่างนี้นักบวชก็เป็นรัตน์อันประณีทิ้งกว่าเป็นรัตนะที่ประเสริฐยิ่งกว่าอในในบรรดาของนักบวชในบรรดาของผู้ที่ไม่ครองเรือนก็แบ่งออกเป็นสองอีกเหมือนกันก็คือบุคคลที่เป็นเสขาบุคคลกับบุคคลที่เป็นอาเสขาบุคคล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 ที่สามารถตัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองเลยไม่ต้องมีครูไม่ต้องมีอาจารย์ใช่ไหมบุคคลที่บาเพ็ญบารมีมาอย่างเพื่อตัสรู้เองเนี่ยก็ประเสริฐกว่าใช่ในบรรดากลุ่มที่ตัสรู้ชอบได้โดยตัวเองก็แบ่งออกเป็นสองอีกเหมือนกันก็คือปัจเจกพุทธะหนึ่งกับสัมมาสัมพุทธะหนึ่งใช่มในบรรดาที่เป็นปัจเจกพุทธะนั้นเนี่ย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 อาคาริกในบรรดาที่เป็นอเสขาเสขะบุคคลในในบรรดาที่เป็นสาวกะสาวกะกสัมมาสัมพุทธะในบรรดาที่เป็นปัจเจกกะพุทธะกสัมมาสมพุทธะถ้าเทียบกันตั้งแต่ไร่ตั้งแต่เริ่มต้นไปจงถึงสูงสุดเนี่ยก็ปรากฏว่าสัมมาสมพุทธะเนี่ยเป็นรัตนะอันประณีเป็นรัตนะอันประเสริฐสูงสุดในบรรดาบทที่อาตมาได้กล่าวมานี่คือก็คือเรามากล่าวสรรเสริญ สัมมาสัมพุทธเจ้านะแม้แก้วแหวนเงินทองก็ดีเนี่ยแม้แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาทั้งหลายเนี่ยก็ยังสู้สู้พุทธรัตนะไม่ได้นะพระพุทธรัตนะคือใครอา้าวพุทธพุทธรัตนะคืออ้าวเี้ยบุคคลนะอย่างพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบารมีมานะอย่างต่ำยี่สิประส์ขงขายยิ่งด้วยแสนมหากรัฐ บ, บุคคลที่บำเพ็ญบารมีมาให้ทาน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 ผู้ใครจะกีรเลสโอ้พระอรหันเนี่ยเขาตื่นเต้นตื่นเต้นจนโห อ, อยู่ไม่ได้ต้องลุกขึ้นมาเลยเนี่ยเป็นต้นเนี่ยโหชาวไวยสาลีมารอตั้งแต่มารออยู่ในน้ําเลยนะหัวมิดค อ, อยืนพนมมืออย่างนั้นอนะ่ะจนเรือมาถึงฝั่งใช่มโอ้โหด้วยความเคารพพอพระพระบรมศ า, าสดาแค่เหยียบพระบาทแรกนะ่ยก้าวไปที่เมืองไปที่เมืองไวยสาลีพอเหยียบไปที่พื้นดินปุ๊บฝนก็ตั้งเขาขึ้นมาเลย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 สอนมนอย่างเงี้ยให้กับพระนน์สอนรัตนปริตรเนี่ยที่บอกว่ายานิทะเป็นต้นเนี่ยยานีทะพูตานิสมาคตานิภู ม, มานิวายานิวายันตลิเขเนี่ยสาให้ให้พระน น, น์เนี่ยเรียนสาธยายนะแล้วก็ทำพระปาริตรขึ้นมาโดยเอาบาตของพระพุทธเจ้าเนี่ยใส่น้ำแล้วก็ปะปะพรมน้ำมนต์ไปรอบรอบเมืองเวสาลีเลยนะพระนน์ก็ปะพรมไปรอบๆท่านสวดอย่างเงี้ยยานิทะพูตาสวด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 ในบรรดาในบรรดาและในและในบทที่และในบทที่บอกว่าโกติสตสหัสเซสุจักวะเรสุเทวตายัสานํปฏิคันหติยันจาเวสาลียาปุเร โรคามนุสาทุพิคาสัมภูตังติวิทังพยังคิปมันตารทาเปสีปริตังตังปนามะเฮนี่เป็นต้นที่บอกว่าเหล่าเทวดาในเมื่อสวดพระปริตนะผลอ น, นิสงส์ก็คือพระปริตเนี้ยจะแผ่ไปยังแสนโกศจักรวาล น, นะเป็นที่ยอมรับ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 สัพเพวผูตาสุมาณฑพวันตุอโทปิสกกะจะสุนันตุภาสิตังตัสมาหิผูตานิสาเมีทัศเพเมตังการโอธมานุสิยาปชายาทิวาจระโตจารันดิเยผะลิงตัสมาหิเนราคธาอภุมัตตายังกินชีวิตตัิฑวาหุรังวา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 อีดัมบิดัมเมรัตนังบันีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูยัมพุทธเสโทภริวันในยีสุจริงสมาธิมานันภริกันเยมาหูสมาธินาเตนะสมโมนะวิชตีอีดัมพิดัมเมรัตนังบันีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูเยปุคาลาอัทธสตังปัสสาธา สัตตริเอตานิยุคานิฮุนตีเตทักินเนยาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินานิมหพลานีอิดัมบิสังเครตนะังเบนีตังเอเตนัสเจนัสวัติโหตูเยสุปายุตตามนสาทันเฮนาใิกาไมโนโคธรรมสาสนัมหีเตปติปัต้าอามตังวิไคหะ ลัท่ามุท่านิพุติงบุญจะมานาอิธรรมิสังเคระตัณงบณีนตังเอเทนัสัจเจนสุวัิโหตูอย่าทินทคีโลปัถวิงสิโตสิยาจะตูพิวาเตพิอสัมวกรมดิโยตทูปะมังสาปุริสังวธามียรียสัจจานิอเวชปาสตีอิธรรมพิสังเคระตัณงบันนิตัง เอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวยันติคำพิรปัญเยนะสุเทสิตานีกินจาริเตหนทุภูษพปมาตาอเตผวังอัตธรรมามาทิยันติอิธรรมพิสังเครตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตุสหวสตาสนสัมปทาญา แต่ยาสัรรมมาชหิตาผวันตรีสักกายทิฏฐิวิจิกิจีตัณจาสีลาพังทังวาบิยถาทิกินจีตัทูหปาเยหิเจวิปมุตโตชาจาพิธานานิยาภาภกกาตุงอิธรรมปิสังเครตนะังเบนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโคตุกินจาริโสกรรมมังกรติปาปะกัง กายเห็นวาใจยุทธเจตสาวาอาภพโพโซตัสปฏิชทายาอภพพตาทิถัปทาสุตตาอิธรรมบิสังเครตนางบณีตังเอเตนะสัจเจนสุสวัติโหตูวนาปคุมเพยธาพุสิตาเข็ปิมหานามาเสปธมัมสเมิงคิมเหปตทูปมังธรรมวรังเทศยี นิพานคามิงบรมังหิตายอิธรรมพิพุทธเทระทนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหตูวโรวรันยูวโรโทวราหโรอนุตตรโอธรรมวรังเทเสีนิธรรมพิพุทธเทระทนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตูขีนังกุรานังนวังนาทิสัมเพวัง วิรัตจิตตายติเกพวส์มิงเตคีนาพีชาวิรุณที่ชันธานิพันที่ทีรายทายัมปะทีโปเอเตนะสัตอิธัมปิสังเครทนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัต ท, ทิโหตูยานีทภ พ, พูตานิสมะขตานีพุมมานิวายานิวะอันทะลิเค แต่ถ้าขัดตังเทวมนุสปูชิตังพุทธังนมัสสามะสวัสดิโทุยานีเถูตานิสัมาตานีบุมมานิวะยานีวะอันเลริเคแต่ถาขาตังเดวมนุสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสวัสดิโทุนีเป็นตน<บ>น้นจบรัตนปรฤตนะ นะขอให้เราทำศรัทธาให้เกิดขึ้นใ น, ในระหว่างที่ฟังการสาธยายนะขอให้เรามีความเชื่อมั่นนะว่าพระปริศนีมีอำนาจที่แผ่ไปแสนโกฏักรวาลนะแม้ผู้ใดได้ฟังเนี้ก็สามารถแม้ไม่เข้าใจนะก็สามารถไปเป็น <c oughs> ก็คือสามารถเป็นเป็นอัธยาศัยเป็นต้นได้นะโอเค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 เทวดาเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยที่ในบทเนี้ยที่บอกว่า อ, อพูดเหล่าใดเนี่ยประชุมกันแล้วในประเทศนี้ก็ดีภูมิเทวดาเหล่าใดประชุมกันแล้วในอากาศก็กดีขอพูดทั้งหลา ย, ยจงเป็นผู้มีใจดีถ้าเราสาธยายบทนี้ไปเรื่อยๆนะเทวดาจะมีอาบรรณุตเนี่ยเขาจะมีจิตใจที่อ่อนโยนใช่ไหมเขาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เ, เราถ้าเขาช่วยเหลืออะไรได้เนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือนะก็ ถ้ายมมีศรัทธานะก็สวดบ่อยๆสวดบ่อยๆลองดูน ะ, ะแล้วทามาก็จะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะ